อันนี้จักแสดงธรรมะเพื่อเป็นเครื่องอบรมในการปฏิบัติอบรมจิตของท่านพุทธศาสนิกชนทั้งหลายสืบต่อไปได้กล่าวมาในเรื่องของการสงบนิวรตามขั้นตอนที่พระภูมีพระภาคเจ้าได้ทรงแสดงเอาไว้เพราะว่าจุดมุ่งหมายในการปฏิบัติสมถะกรรมฐาน คือกรรมฐานที่ทำใจให้ส ง, งบนั้นได้แก่การทำใจให้ส ง, งบจากนิวรณ์คือกิเลส ท, ที่เกิดขึ้นกลุ่มรุมใจทั้งห้าประการนั่นเองเมื่อสามารถส ง, งบระงับดับนิวรณ์ได้แล้วกิเลสซึ่งมีชื่ออย่างอื่นซึ่งปรากฏในที่ต่างๆนั้นก็จะไม่มีอยู่ภายในจิตใจในกรณีที่เกิดขึ้นกลุ่มรุมใจ พราะถูกนิการธรรมะบ้างถูกองค์ฌานที่บุคคลปฏบิบัติบ้างสงบระงับเอาไว้แต่ความความเปลี่ยนแปลงทางจิตก็พร้อมที่จะเกิดขึ้นเมื่อธรรมะที่ใช้ระงับนิวรณ์เหล่านั้นเสื่อมไปโดยขั้นทั่วไปนั้นการสงบระงับดับนิวรณ์ก็ทรงแสดงธรรมะฝ่ายตรงกันข้าม เอาไว้เป็นคู่คู่เป็น5ข้อด้วยกันข้อแรกคือการมาฉันความพอใจรักใครในวัตถุการมทั้งหลายนั้นก็ให้บุคคลเจริญอสุภะกรรมฐานหรืออสุภาสัญญาทำใจกำหนดหมายให้เห็นความไม่สวยไม่งามของสิ่งเหล่านั้นข้อที่2พยาบาทคือจิตอาฆาตต้องการจองล้างจองพรานบุคคลอื่น ทรงสอนให้เจริญเมตตาจิตคือปรารถนาความเป็นผู้ไม่มีเวรไม่มีภยัยไม่เบียดเบียนกันไม่ประทุษร้ายกันในหมู่สัตว์ทั้งหลายทีนามิธาคือความง่วนน ง, งเหงาหานอนซึ่งซึมเหนื่อยหน่ายคลานกายคลางจิตนั้นก็ทรงสอนให้บุคคลมองให้เห็นเป็นแสงสว่างใช้ความเพียรพยายามเพื่อขจัด ความง่วงนอนเหล่านั้นออกไปในด้านอุตจักขุกุจักคือจิตฟุ้งสั้นสัายไปในอารมณ์ต่างๆเพราะไม่อาจทําความสงบให้เกิดขึ้นในอารมณ์อันใดอันหนึ่งได้ก็ทรงสอนให้บุคคลคุมจิตให้อยู่ที่อารมณ์อย่างไรอย่างหนึ่งให้ได้ต่อแต่นั้นอุตจักขุกุจักก็จะสงบไ ป, ป, ป, ป, ป ส่วนที่เป็นวิจิกิจฉาคือความลังเลสงสยัยก็ทรงสอนให้ใช้โยนิโสมนสิการคือการทำในใจไว้ด้วยอุบายแยบคายใช้ปัญญาพินิษพิจารณาเรื่องนั้นๆในแง่มุมต่างๆจนเกิดความเข้าใจและกระจัดความสงสัยไปได้การปฏิบัติในลักษณะนี้หมายความว่าแม้จะอยู่ในอิริยาบทอื่น หรือจะเดินไปในที่ไหนจะนั่งอยู่ในรถหรือว่าหลับนอนพักผ่อนอยู่ก็สามารถที่จะใช้ธรรมะเหล่านี้ขจัดความรู้สึกที่เกิดขึ้นภายในจิตใจในขณะนั้ น, น, นได้แต่เป็นความส ง, งบที่เกิดขึ้นได้ชั่วขณะที่มีธรรมะอยู่เท่านั้นดังนั้นจึงแสดงในขั้นต่อไปของการบำเพ็ญเพียรทางจิต ที่เริ่มต้นด้วยอารมณ์ของกรรมฐานอย่างไดจางหนึง่งซึ่งในที่นี้ก็ได้เริ่มต้นมาจากอนาปานสติกรรมฐานอนาปานสติกรรมฐานที่บุคคลอบรมกระทาให้มากแล้วทรงแสดงว่ามีผลใหญ่มีอานิสงส์ใหญ่คือจะคุมใจของบุคคลให้เกิดความสงบไปโดยลำดับ เริ่มต้นก็เป็นความสงบที่เกิดขึ้นชั่วขณะหนึ่งซึ่งอาจจะมากหรือน้อยก็ตามรือว่าเป็นความสงบที่เกิดขึ้นชั่วขณะต่อแต่นั้นเมื่อเพียรพยายามปฏิบัติสื่อไปช่วงของความสงบก็จะเกิดขึ้นมากกว่าคราวที่แล้วเรียกว่าอุปจารสมาธิคือเจียดใกล้ความสงบเข้าไป และบำเพ็ญเพียรต่อไปจนถึงอั ป, ปนาสมาธิแปลว่าจิตสงบอย่างแน่แน่ต่อแต่นั้นบุคคลก็จะได้บรรลุธรรมะที่เรียกว่าฌานคมฌานมีความหมายสองอย่างอย่างแรกคือการบำเพ็ญเพียรที่กระทําอยู่นี้เองท่านก็เรียกว่าฌานเหมือนกันแต่เรียกว่าเพ่งฌาน โดยใช้คำบาลีว่าอารัมมณูปนิชานคือเพ่งอารมณ์เป็นการกําหนดสติระลึกรู้อยู่ที่ลมหายใจเข้าออกก็ถือว่าได้เพ่งอารมณ์คือลมหายใจเข้าออกฌานประเภทนี้เป็นส่วนผลเป็นส่วนเหตุที่ก่อให้เกิดผลตามขั้นตอนต่างๆดังที่ได้กล่าวมาแล้วเมื่อบําเพ็ญเพียรเลยอัปนาสมาธิไปแล้ว คือจิตใจสงบตั้งมั่นมีช่วงระยะเวลายาวนานเป็นพิเศษก็จะบรรลุถึงฌานส่วนผลซึ่งท่านจำแนกสภาวะจิตของบุคคลเอาไว้เป็นสีระดับด้วยกันระดับแรกเรียกว่าปฐมฌานซึ่งก็แปลว่าฌานที่หนึ่งเท่านั้นเองสภาพจิตในขณะนั้น จะมีองค์หรืออารมณ์เพีย ง, ป ง, ง5ประการเท่านั้นองค์ทั้งหประการนั้นคือวิตกความตรึกวิจารความจองปิติความอิ Level ่มใจสุขความสบายกายสบายใจและเอกคตาคือจิตที่สงบเป็นอารมณ์อันเดียวได้แก่สมาธินั่นเด่นวิตกคืออะไรในกรณีของการปฏิบัติอนาปานสติกรรมฐานนั้น certains. วิตกก็คืออาการที่สติระลึกอยู่ในจุดซึ่งลมกระทบหรือในพุโทโธแล้วแต่อารมณ์กรรมฐานที่บุคคลใช้อยู่ในขณะนั้ น, น, นหมายความว่าจิตจะไม่พลากไปจากจุดซึ่งกำหนดระลึกวิจาร์นั้นคือการพิจารณาตรวจสอบถึงจุดที่ลมกระทบนั่นเอง แล้วก็สงบอยู่ที่ลมคือนึกคิดอยู่เฉพาะที่ลมหายใจเข้าออกคอยระมัดระวังไม่ให้เกิดการกวัดแกงสัดสายของสติที่กำหนดระลึกอยู่ในจุดซึ่งลมกระทบนั้นวิตกวิจารจึงเป็นอาการที่ต่อเนื่องกันในความหมายของภาษาไทยภาษาไทยนั้นอาจจะใช้คำว่า พินิจพิจารณาหรือว่านึกคิดจะเห็นได้ว่าความนึกก็เหมือนกับวิตกความคิดก็เหมือนกับวิจารณหรือพินิจก็เหมือนวิตกพิจารณาก็เหมือนวิจารณวิตกอันใดวิจารณก็อันนั้นวิจารณอันใดก็วิตกอันนั้นแต่ว่าวิตกเป็นช่วงที่สั้นกว่าเท่านั้นเองวิจารณนั้นช่วงยาวอยู่ตลอด ที่พิจารณาในเรื่องนั้ น, น, นท่านจึงยกอุปมาให้เห็นว่าวิตกเหมือนกับเสียงที่เราเคาะระฆังคือไม้ตีระฆังกระทบกับระฆังก็ถือว่าวิตกเสียงหวยหวนเสียงดังของระฆังตลอดระยะเวลานั้นถือว่าเป็นวิจารเพราะฉะนั้นจึงเป็นอาการที่ต่อเนื่องกันวิตกวิจาร์ในที่นี้จึงหมายถึงความนึกคิด ที่อยู่กับลมหายใจเข้าออกหรือจุดที่บุคคลกาหนดระลึกอยู่ในขณะนั้นๆทั้นทงนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่าใครใช้วิธีไหนในการกำหนดระลึกแต่ตามหลักของการปฏิบัติแล้วถึงแม้จะทรงแสดงวิธีไว้หลายวิธีและพระอาจารย์ทั้งหลายก็ได้ค้นคว้าเพิ่มเติมขึ้นก็ตา่าง แต่ในขั้นที่จะให้สงบจนเป็นอปนาสมาธิและเป็นฌานนั้นก็คือการที่กําหนดสติระลึกจูในจุดซึ่งลมกระทบเพียงแห่งเดียวอาจจะเป็นปลายจมูกหรือดึงผีปากก็ต่าก็สังเกตดูว่าจุดใดที่ลมกระทบแรงกําหนดได้ง่ายก็ให้ตั้งสติระลึกจุ่ในจุดนั้น จนจิตดำเนินเข้าสู่ความสงบผ่านขั้นตอนดังที่ได้กล่าวมาแล้วปีติคืออะไรปีติในกรณีที่เป็นองค์ของฌานนั้นอาจจะสัแดงออกมาได้ในลักษณะต่างๆท่านจำแนกออกไว้ว่าปีติอย่าง อ, อ่ อ, อนๆปีติเพียงเล็กน้อยเช่นว่า เกิดขึ้นคล้ายๆกับมดไต่อยู่ตามเนื้อตามตัวหรือบางคราวก็รู้สึกเ อ, อิบอิ่มใจขึ้นมาเป็นชั่ววูบวูบแล้วก็ดับหายไปบางครั้งก็เป็นความเกิดขึ้นในลักษณะที่ขนพองบ้างน้ำตาไหลบ้างจิตใจเออบอิ่มยินดีลักษณะของปีติก็คล้ายๆกันดีใจ แต่ว่าอาการที่ปรากฏนั้นบางประเภทก็ทิ้งช่วงอยู่นานคือดำรงอยู่นานบางชนิดก็เกิดขึ้นเพียงชั่วขณะบางชนิดรุนแรงมากจนถึงกับน้ำตาไหลหรือขนลุกชูชันขึ้นมาบางชนิดจนถึงกับตัวลอยไปเลยนี่เป็นลักษณะของปีติ แต่ว่าจะเกิดขึ้นในลักษณะใดก็ตามตัวปีติเป็นแต่เพียงทางผ่านเท่านั้นไม่ใช่เป็นตัวที่บุคคลจะไปยึดไปติดเอาไว้เพราะว่าอาการของปีติที่ปรากฏขึ้นนั้นไม่ใช่เป็นอาการของความสงบแต่เป็นอาการของความเอิบอิม่มเป็นอาการของความยิน ด, ดีที่ปรากฏขึ้นด้วยผลของการปฏิบัติในทางสมาธิ ข้อต่อไปคือความสุขความสุขได้แก่อากาศที่กายและจิตมีความโปร่งเบาสบายปรากฏขึ้นท่านเรียกว่าสุขกายและสุขใจจิตใจในขณะนั้นเองก็ไม่มีเรื่องคุณมัวเศร้าหมองปรากฏขึ้นมีแต่ความส ง, งบกับรู้สึกเ อ, อิบอิ่มและอาการของปีติอย่างที่ได้กล่าวมาแล้ว ในส่วนร่างกายเองก็ไม่มีทุกขเวทนาอะไรมาเสียดแทงจนให้จิตแข่งเข้าไปนึกถึงทุกขเวทนาเหล่านั้นส่วนเอกคาตาท่านใช้คําให้มีลักษณะสังเกตเท่านั้นแต่ที่จะใช้สมาธิคืออาการที่จิตตั้งมั่นกลับใช้คําว่าเอกคาตาคือจิตที่ดําเนินเข้าสู่ความเป็นอารมณ์เดียว เพราะเมื่อก่อนจิตมีหลายอารมณ์แล้วเมื่อถึงจุดนี้ก็ถึงความเป็นผู้มีอารมณ์เดียวเท่านั้นแล้วแต่ว่าใครจะปฏิบัติกรรมฐานข้อไหนก็สงบอยู่เฉพาะในจุดนั้นเท่านั้นไม่ได้คิดสายไปในเรื่องอื่นลักษณะของเอกขตาก็คือเรื่องของสมาธิอันเป็นเป้าหมายที่บุคคลลงมือประพฤติปฏิบัติ ที่นการจะสังเกตกําหนดว่าเอกขตาหรือไม่เอกคาตาก็อยู่ที่ว่าใจของบุคคลสงบอยู่กับอารมณนน์นั้นๆเท่านั้นไม่มีอาการเคลิมหลับไปหรือไม่มีอาการซัดสายไปในเรื่องอื่นในขณะนั้นๆถือว่าจิตเข้าถึงความเป็นเอกขัตตาคือมีอารมณ์อันเดียว แต่ว่ากรรมฐานในชั้นนี้มีลักษณะที่เปลี่ยนแปลงได้ง่ายเปรียบเหมือนพืชพันธัญยาหารที่บุคคลปลูกขึ้นแต่ยังอ่อนอนเมื่อมีอะไรมากระทบแม้แต่ฝนตกบางครั้งก็หักโคนออกมาได้ดังนั้นท่านจึงถือว่าไม่ค่อยจะมั่นคงอะไรนักให้เพียรพยายามปฏิบัติสืบต่อไป จนถึงชาญที่สองเรียกว่าทุติยชาญในทุติยชาญนั้นวิตกความตรึกกวิจาร์ความตรองดับไปปีติที่ปรากฏขึ้นนั้นมีลักษณะที่เด่นชัดแล้วสามารถสังเกตได้ง่ายกว่าปีติประเภทแรกชื่อองค์ธรรมแม้จะเหมือนกัน แต่เมื่อขั้นตอนไม่เหมือนกันลักษณะจึงเด่นและไม่เด่นแตกต่างกันออกไปในด้านของความสุขท่านอธิบายว่าความสุขในขั้นของทุติยชาินั้นเป็นความสุขที่ทราบซึ้งตรึงใจยิ่งนักคือหมายความว่าโดยสภาพปกติแล้ว คนจะไม่สามารถสัมผัสความสุขในระดับนี้ได้ท่านแปลเป็นสำนวนภาษาบาลีว่าเป็นความสุขที่หวานใจ ย, ยิ่งนะักแล้วในด้านของสมาธิคือเอกะแพตาก็เป็นสมาธิที่ตั้งมั่นคงยั่งลงอยู่แล้วมีความสุขปรากฏเด่นชัดลักษณะของสมาธิในขั้นแรก ในขั้นของปฐมฌานกับทุติยฌานนั้นท่านบอกว่าแตกต่างกันในขั้นของทุติยฌานนั้นท่านยกอุปมาเหมือนแม่โคที่ถูกพากมาจาก เ, เหมือนลูกโคที่ถูกพรากมาจากแม่โคในขณะที่ยังไม่ย่านมแม้จะผูกกล้ามไว้ในที่ใดที่หนึ่งแต่ว่าลูกโคจะมองหาแม่ของตนอยู่ตลอดแล้วก็พร้อมที่จะดิ้นหลุดไปหาแม่ของตน สมาธิที่เกิดขึ้นในปฐมฌานก็มีลักษณะอย่างนั้นคื อ, อยังโน้มเอียงไปสู่ความไม่สงอกความฟุ้งซ่านความจึกนึกถึงสิ่งที่น่าคลายน่าปรารถนาน่าพอใจเป็นต้นจบแต่พอถึงสมาธิในขั้นของทุติยฌานกลับเป็นสมาธิที่ตั้งมั่นไม่หวั่นไหวไปอย่างสมาธิประเภทแรก ในทุติยฌานจึงมีองค์ฌานอยู่3ข้อได้แก่ปีติความอิ่มใจสุขความสบายกายสบายใจและเอ ก, กคตาคือสมาธิเมื่อบุคคลบำเพ็ญเพียรถึงขั้นที่สที่เรียกว่าตติยฌานแม้ความรู้สึกเ อ, อิบอิ่มรู้สึกปีติก็จะหายไปใจในขณะนั้นจะปรากฏอยู่เฉพาะความสุข และเอกกาตาซึ่งมีความประนีตขึ้นกว่าที่แล้วและเมื่อบำเพ็ญต่อไปอีกจนถึงจตุเตชฌานซึ่งเป็นฌานที่สีแม้แต่ความรู้สึกเป็นสุขก็หายไปจะปรากฏเป็นอุเบกขากับเอกกาตาคือสมาธิคำว่าอุเบกขานั้นแปลว่าการเข้าไปเพ่งดู ถ้าจะถามว่าดูอะไรก็บอกว่าดูสภาพจิตในขณะนั้นๆั้นท่านยกตัวอย่างลักษณะของอุเบกขานั้นว่าเหมือนกับมแมลงมุมที่ทำรังเอาไว้แล้วตัวเองก็ไป น, นอนอยู่ตรงกลางคอยดูว่ามีอะไรจะผ่านมาถ้าไม่มีอะไรผ่านมาก็สงบอยู่เฉยๆถ้ามีอะไรผ่านมา ก็พุ่งออกไปจัดการกับสิ่งเหล่านั้นแล้วก็กลับมาสงบอยู่อีกจิตใ จ, จของบุคคลที่เกิดบําเพ็ญมาถึงขั้นที่เป็นอุเบกขาก็จะมีลักษณะอย่างนั้นอุเบกขาจึงเป็นอาการของปัญญาในขั้นของการเพ่งพินิษดูจิตของตนในขณะนั้นๆไม่ใช่เป็นความรู้สึกไม่รู้ร้อนไม่รู้หนาวอะไร แม้อุเบกขาที่ทรงแสดงไว้ในพรหมิหารว่าที่จริงก็มีลักษณะเช่นนี้คือเป็นเรื่องของการใช้ปัญญาพิจารณาโดยเหตุโดยผลแล้วว่าบุคคลคนนี้ได้ประกอบกระทำกรรมชั่วเอาไว้เขาก็ต้องรับผลของกรรมในกรณีที่เป็นคนรักเป็นญาติพี่น้องก็ไม่ต้องเศร้าโศกเสียใจอะไร ในกรณีที่เป็นศัตรูกันก็ไม่ไปสมน้ำหน้าอะไรเขาเพราะเป็นเรื่องที่คนทั้งหลายผู้ทำการมันใดไว้จะต้องรับผลของกรรมนั้นในด้านของเ อ, งอากกตาคือสมาธิเองก็จะมีความส ง, งบมั่นคงขึ้นและองค์ฌานทั้งห้าประการดังที่กล่าวมานี้จะทำหน้าที่ส ง, งบนิวรณ์แต่ละข้อ ให้สังเกตว่านิวรนมีอยู่ห้าข้อองค์ชาญเองก็มีอยู่ห้าข้อเพราะงั้นองชาญแต่ละข้อจะทำหน้าที่ส ง, งบนิวรณ์ตามหน้าที่ของตนองค์ชาญคือวิตกปรากฏขึ้นภายในจิตในขณะนั้นวิตกจะทำหน้าที่ส ง, งบนิวรณ์ข้อที่สมคือถีนมิถะ ความง่วงนอนความซึ่งมซึม ง, งอยเหงาเบื่อหน่ายคลานกายคลานจิตเป็นต้นให้หายไปสาบใดที่องค์ชานคือวิตกจังปรากฏจูสาบนั้นถีนมิทะจะไม่ปรากฏขึ้นภายในจิตท่านจึงอุปมาองค์ชานไปกดทับนิวรณ์เอาไว้ว่าเหมือนกับเอาแผนศิลาไปวางทับหญ้าไว้ ซึ่งว่ากระตามความเป็นจริงภายใต้แผ่นศิลาก็ยังมีย่าจูแต่ว่าปรากฏรูปร่างปรากฏสีสันฐานออกมาไม่ได้เนื่องจากศิลาวางทับอยู่แต่วันใดที่ศิลาแตกไปหรือว่ายกออกย่าก็จะงอกในจุดเดิมนั้นอีกได้จิตใจของบุคคลที่บรรลุฌานก็มีลักษณะอย่างนั้น สาบใดที่ฌานยังมีอยู่สาบนั้นนิวรจะเกิดขึ้นไม่ได้แต่ก็ไม่ใช่หลักประกันที่จะเป็นเช่นนั้นตลอดไปเพราะว่าฌานเหล่านี้เสื่อมได้องค์ฌานข้อที่สองที่เรียกว่าวิจาร์เมื่อปรากฏขึ้นก็จะทำหน้าที่ซ่ ง, งบบิจิคิชานิวรคือความลังเลสงสยัยตัดสินใจไม่ได้ไม่มั่นใจในเรื่องนั้ น, น, น โดยเฉพาะในขั้นของการปฏิบัติแล้วก็เป็นความสงสัยที่เกี่ยวกับพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ในใจสิตขาในเรื่องอดีตในเรื่องอนาคตเรื่องทั้งอดีตและอนาคตและปฏิจจสมุปบาทแต่เมื่อบุคคลได้ใช้วิจารณ์คือการไตรตรองในเรื่องเหล่านั้นการวิเคราะห์วิจัยในเรื่องเหล่านั้นความลังเลสงสัยก็จะหายไป แต่ว่าวิจารณ์นี้เป็นการเกิดขึ้นด้วยกำลังแข่งสมาธิเมื่อตัววิจารณ์ปรากฏขึ้นจะทำหน้าที่ส ง, งบวิจิกิจชาไว้คือวิจิกิจชาจะไม่ปรากฏในขณะเดียวกับวิจารณ์ปรากฏข้อที่3คือปีติความเอิบปิมใจเมื่อปรากฏขึ้นภายในจิตของบุคคลก็จะทำหน้าที่ส ง, งบพยาบาท คือจิตที่อาฆาตพยาบาทอันประกอบด้วยโทสะเป็นพื้นก็จะถูกสงบระงับตัดไปความ ส, สุขซึ่งเป็นองค์ฌานข้อที่สเมื่อปรากฏขึ้นแล้วก็จะทำหน้าที่สงบอุทจักกุกุ จ, จัะคือความฟุ้งซ่านจนถึงกระลำคาญเอาไว้การที่จิตของบุคคลฟุ้งซ่านสัดสายไปในอารมณ์ต่างๆนั้น ก็เพราะเหตุว่าเขาไม่ได้ความสุขในขณะนั้นๆแต่ขณะใดที่เกิดความสุขในขณะนั้นจิตก็จะไม่ฟุ้งซ่านสั่สายไป <c oughs> องชานข้อสุดท้ายคือกะคือเอกขคตาเมื่อบังเกิดขึ้นแล้วจะทำหน้าที่สงบกามชันเอาไว้หมายความว่าเมื่อจิตมีสมาธิตั้งมั่นอยู่ จิตก็จะไม่มีโอกาสไปเหนียวตรึกนึกถึงสิ่งที่น่าใคร่น่าปรารถนาน่าพอใจลักษณะขององค์ฌานที่เกิดขึ้นแล้วทำหน้าที่ส ง, งบนิวรไว้นั้นจึงเป็นเรื่องของความเปลี่ยนแปลงเหมือนกับว่าเมื่อแสงสว่างปรากฏขึ้นความมืดก็หายไปในจุดนั้น แต่ในขณะเดียวกันเมื่อแสงสว่างหายไปความมืดก็จะปรากฏเกิดขึ้นได้อีกการบำเพ็ญเพียรในขั้นฌานนั้นแม้ในสมัยก่อนพุทธกาลก็มีการบำเพ็ญเพียรแล้วก็บรรลุกันอยู่แต่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงเห็นว่าเป็นกุ ป, ปะธรรมคือกรรมเลิบได้มีความเปลี่ยนแปลงได้แต่ว่าเป็นทางที่บุคคลจะต้องผ่านไปทางนี้ จึงทรงแสดงเอาไว้แล้วเมื่อถึงจุดนี้ก็ยังแสดงธรรมะที่ต้องดำเนินประพฤติปฏิบัติต่อไปเพื่อสามารถสงบระงับดับนิวรได้ชนิดที่เรียกว่าไม่กำเริบอีกต่อไปแต่ไงก็ตามในขั้นของฌานนี้ท่านเรียกว่าเป็นทิฏฐธรรมสุขวิหารคือการอยู่เป็นสุขในปัจจุบัน พระเด ย, ยเจ้าทั้งหลายมีพระพุทธเจ้าเป็นต้นก็มักจกข้าวชานเพราะเป็นทิฏฐธรรมสุขเป็นการอยู่สุขในชีวิตปัจจุบันของท่านศาสราใดที่บุคคลพยายามรักษาชานของตนเอาไว้ได้ตลอดระยะเวลาที่จิตยังมีชานอยู่ในช่วงนั้น แม้จะเห็นรูปด้วยตาฟังเสียงด้วยหูสูดดมกลิ่นด้วยจมูกลิมรสด้วยลิ้นเป็นต้นก็ตามแต่ความกำหนัดกัดเคืองลุ่มหลงบัวเมาจะไม่เกิดขึ้นเลยถ้าท่านเจริญอยู่เรื่อยๆแล้วก็มาติดอยู่ในช่วงนี้ก็จะมีความรู้สึกคล้ายๆว่าตัวเองจะเป็นพระเรียเจ้าไปแล้วพระวากกเลสคือนิวรณ์ท้งห้าทางห้าประการนั้นให้สังเกตว่า ก็คือโลคโกรธหลงซึ่งเป็นอกุศลละมูลนั่นเองแต่เมื่อเกิดขึ้นรุ่มรุมใจก็แสดงอาการออกมาเป็น5ลักษณะอย่างนั้นและกิเลสในลักษณะเราอื่นมีชื่อเรียกอย่างอื่นมีอาการอย่างอื่นก็เป็นพวกที่สืบเนื่องมาจากโลคโกรธหลงเช่นเดียวกันเพระาะฉะนั้นเมื่อจิตใจของบุคคลถูกสงบไว้ด้วยฌานที่เรียกว่าฌานในจิต คือจิตมีฌานหรือจิตเป็นฌานอยู่กิเลส ถ, ถึงแม้จะมีอยู่ก็เกิดขึ้นไม่ได้แต่ว่ามีลักษณะที่เปราะบางคือกระทบง่ายท่านได้เล่าถึงว่าบุคคลบางคนที่บำเพ็ญเพียรมาในขั้นของฌานนี้บางทีก็เป็นดาบทเป็นฤาษีอะไร แต่ว่าเกิดกำหนัดเกิดขัดเคืองขึ้นมาเพราะโดนกระแทกอารมณ์ภายนอกเช่นเห็นรูปที่น่าคลายหน้าปรารถนาน่าพอใจแล้วใจก็เริ่มเปลี่ยนแปลงไปตามอารมณ์ที่มากระแทกเหล่านั้นการก็เสื่อมได้เมื่อเสื่อมแล้วก็เรียกว่าตั้งต้นใหม่กันอีกทีหนึ่งซึ่งเป็นการต่อสู้ระหว่างธรรมะกับอาธรรมอยู่ภายในจิตใจของคน แต่ยงไก็ตามกว่าจะเดินมาถึงขั้นนี้ได้บุคคลจะต้องอาศัยความเพียรพยายามที่มากเป็นพิเศษแล้วก็ใช้สติกับสามประชาญญะสนับสนุนซึ่งกันและกันดังที่กล่าวไว้ในวันวันแรกที่สำคัญที่สุดก็คือว่าองค์ฌานทั้งห้าประการนั้นมีลักษณะที่น่าชื่นชมยินดี ถ้าหากว่าบุคคลไปคิดล่วงหน้าคืออยากให้เกิดผลเช่นนั้นจะมีผลเสียในการปฏิบัติเพราะถ้าหากว่ายังมีความอยากความต้องการสงบหรือความต้องการสุขต้องการปีติอยู่ได้โปรดสังเกตว่าความรู้สึกเหล่านั้นเป็นกามฉาาันเป็นนิพพานในเมื่อจิตเป็นนิวรนปรากฏอยู่แล้วความสงบจะเกิดขึ้นไม่ได้ นั้นหน้าที่ของคนก็คือว่ากําหนดระลึกไปเรื่อยๆความสงบจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่นั้นขึ้นอยู่กับเหตุปัจจัยภายในคือบารมีธรรมใะเหตุปัจจัยภายนอกคือการอบรมกระทําให้มากของบุคคลนั้นๆแล้วเมื่อถึงจุดหนึ่งจะอยากหรือไม่อยากความสงบก็จะบังเกิดขึ้นแต่ถ้าหากว่ามีความอยากอยู่อยากได้อยู่ ความสงบก็จะเกิดขึ้นไม่ได้อย่างที่ว่ามาแล้วการปฏิบัติจึงเปรียบเหมือนกับการเดินทางไม่ได้การถึงจุดหมายปลายทางนั้นไม่ได้อยู่ที่อยากถึงแต่ว่าอยู่ที่การเดินไปถึงแม้ว่าบุคคลจะอยากยังไงก็ตามถ้าไม่ถึงก็ยังไม่ถึงแต่เมื่อบุคคลเดินไปไม่จำเป็นจะต้องอยากอะไรเมื่อถึงก็ถึง การบำเพ็ญเพียรทางจิตเพื่อบรรลุผลในระดับต่างๆก็มีลักษณะเช่นเดียวกันฉะนั้นเพระาะฉะนั้นหน้าที่ของบุคคลคือการกระทำบาเพ็ญส่วนผลนั้นเป็นเรื่องของการปฏิบัติที่จะอำนวยให้ตามสมควรแก่เหตุที่ได้ประกอบกระทำลงไปต่อไปนี้ขอให้ตั้งใจทำความสงบสืบต่อไป